เตระสกันว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สองห้ามจับต้องกายหญิงเริ่มเรื่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนาเจตวนารามเช่นเคยแล้วกล่าวถึงวิหารหรือที่อยู่ของพระอุทายีว่างดงามมีเตียงตั่งฟูกหมอนน้ำดื่มใช้ตั้งไว้ดีมีบริเวณอันกว่าสะอาด มนุษย์ทั้งหลายพากันไปชมวิหารมากด้วยกันพรามผู้หนึ่งพาภริยาไปขอชมวิหารพระอุทายีก็พาชมให้พรามเดินหน้าภริยาตามหลังพระอุทายีเดินตามหลังภริยาของพรามนั้นอีกต่อหนึ่งโดยถือโอกาสจับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของนางนางบอกแกสามีสามีโกรธติดเตียนเป็นอันมากความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนได้ความเป็นสัตว์ทรงติเตียนเป็นอันมากแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุมีจิตกำหนัดจับต้องกายหญิงไม่ว่าจะเป็นการจับมือจับช้องผมคือแม้แต่วิ์หรือผมปลอมก็ตามหรือลูบคลมอวัยวะใดๆทรงปรับอาบัติสังฆาทิเศษแก่ผู้ล่วงละเมิด ครั้นแล้วได้มีคําอธิบายตัวสิกขาบทอย่างละเอียดและมีข้อแสดงลักษณะที่ไม่ต้องอาบัดคล้ายคลึงกับสิกขาบทที่เล่าแล้วมาลงท้ายด้วยแสดงวินิตะวัตถุคือเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งพระสัส ด, สดาทรงวินิจฉัยไต่สวนชี้ขาดด้วยพระองค์เองอันเกี่ยวกับสิกขาบทนี้ประมาณยี่สิบเรื่องสิกขาบทที่สาม ห้ามพูดเกี่ยวหญิงเริ่มเรื่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนเชตวนารามเช่นเคยและเล่าเรื่องสตรีหลายคนพากันไปชมวิหารหรือที่อยู่ของพระอุทายีซึ่งเรื่องลือกันว่างดงามพระอุทายีก็ถือโอกาสนั้นพูดจาพาดพิงถึงทวารหนักทวารเบาของหญิงเหล่านั้นหญิงบางคนที่เป็นคนคณองไม่มีความอาย ก็ยิ้มแย้งจี๊ซิกคิกคักพูดล้ อ, อ ก, กับพระอุทายีส่วนหญิงที่มีความละอายก็ว่ากล่าวติเตียนความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงไต่สวนได้ความเป็นสัตว์ก็ทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุมีจิตกำหนัดพูดเกี้ยวหญิงด้วยวาจาชั่วหยาบพาดพิงเมถุนทานองชายหนุ่มพูดเกี้ยวหญิงสาว ทรงปรับอาบัตสังคาที่เสษแก่ผู้ล่วงละเมิดอธิบายเพิ่มเติมจากหัวข้อนี้ว่าการพูดเกี่ยวของอินเดียในสมัยนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ลักษณะการใช้ถ้อยคำคงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะพึงเข้าใจว่าการใช้ถ้อยคาที่มีลักษณะเป็นการเกี่ยวหญิงย่อมนับเข้าในข้อนี้ ต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวศิกขาบทโดยละเอียดแล้วแสดงถึงอนาบัตคือการไม่ต้องอาบัตสำหรับภิกษุผู้พูดมุ่งอัตถะมุ่งธรรมะมุ่งสั่งสอนผู้เป็นบ้าและผู้เป็นต้นบัญญัติและแสดงถึงวินิตะวัตถุคือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงไตส่สวนวินิจฉัยชี้ขาดรวมสิบสองเรื่อง สิกขาบทที่สห้ามพูดล่อหญิงให้บำเรอตนด้วยกามเริ่มเรื่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนาเชตวนารามเช่นเคยและเล่าถึงหญิงไม้คนหนึ่งผู้มีรูปร่างงดงามพระอุทายีเข้าไปสู่สกุลนั้นสั่งสอนจนเกิดความเลื่อมใสแล้วเธอเปบวรณาที่จะถวายผ้านุ่งห่มอาหารที่นอนที่นั่งและยารักษาโรค พระอุธายีปรับพูดล่อหรือชักชวนหญิงนั้นให้บำเรอตนด้วยกามถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากนางหลงเชื่อแสดงอาการยินยอมพระอุทายีถมน้ำลายแสดงอาการรังเกียจนางจึงติเตียนพระอุทายีความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสง์ใต่สวนติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามภิกษุมีจิตกำหนัดพูดล่อหญิงให้บำเรอตนด้วยกามทรงปรับอาบัตสังคาทิเศษแก่ผู้ล่วงละเมิดต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายข้อความในสิกขาบทอย่างละเอียดพร้อมทั้งแสดงถึงการไม่ต้องอาบัตโดยลักษณะ3คือ 1. พูดให้บำรุงด้วยปัจจัยส 2. ภิกษุเป็นบ้า 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัต แล้วแสดงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นรวมเจ็ดเรื่องซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใต่สวนชี้ขาดว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือไม่สิกขาบทที่ห้าห้ามชักสือ่อเริ่มเรื่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนาเชตวนารามเช่นเคยสมัยนั้นพระอุทายี เมื่อเห็นเด็กชายที่ยังไม่มีภริยาเด็กหญิงที่ยังไม่มีสามีก็เที่ยวพูดสรรเสริญเด็กหญิงในสำนักมารดาบิดาของเด็กชายเขาก็วานให้พระอุทายีไปสู่ขอเด็กหญิงพระอุทายีไปเที่ยวพูดสรรเสริญเด็กชายในสำนักมารดาบิดาของเด็กหญิงเขาก็วานให้พระอุทายีไปพูดให้ฝ่ายชายมาขอบุตรีของตนโดยในนี้ พระอุทายีก็ทำให้เกิดการอวาหะคือการพาหญิงมาบ้านชายและการวิวาหะคือการพาชายไปบ้านหญิงและการสู่ขอหลายรายสมัยนั้นทิดาของหญิงผู้เคยเป็นโสเพณีคนหนึ่งมีรูปงามน่าดูน่าชมสาวกของอาชีวกซึ่งอยู่ต่างตำบลจึงมาขอทิดานั้นแต่มาดาของนางอ้างว่านางไม่รู้จัก ทั้งก็มีลูกคนเดียวลูกจะต้องไปสู่ตำบลบ้านอื่นจึงไม่ยอมยกให้สาวกของอาชีวกจึงไปหาพระอุทายีขอให้ช่วยสู่ขอและรับรองให้พระอุทายีก็ไปพูดกับหญิงนั้นนางเชื่อว่าพระอุทายีรู้จักจึงยอมยกให้สาวกของอาชีวกรับเด็กหญิงนั้นไปเลี้ยงดูอย่างลูกสะพ้ยได้เดือนเดียวต่อมา ก็เลี้ยงดูแบบทาสีหรือแบบทาตเด็กหญิงจึงส่งข่าวไปแจ้งให้มารดาทราบว่าตนได้รับความลำบากอยู่อย่างทาสีขอให้มารดามารับกลับไปมารดาจึงไปต่อว่าสาวกอาชีวกแต่ก็กลับถูกรุกรานอ้างว่าการนำมานำไปไม่เกี่ยวกับนางแต่เกี่ยวกับพระอุทายีจึงไม่รับรู้เรื่องนี้ นางจึงต้องกลับสู่กรุงสาวัตถีเด็กหญิงนั้นส่งทูตไปแจ้งข่าวแก่มารดาเป็นครั้งที่สองเล่าถึงความลำบากยากแค้นที่ได้รับในการที่มีความเป็นอยู่แบบทาสีขอให้มารดานำตัวกลับมารดาจึงไปหาพระอุทายีให้ช่วยไปเจรจากับสาวกอาชีวกให้พระอุทายีก็ไปเจรจาแต่ก็ถูกลุกรานกลับมา โดยอ้างว่าพระอุทายีไม่เกี่ยวการนำมานำไปเป็นเรื่องระหว่างตนกับมานดาของเด็กหญิงเป็นสมณะควรขวนขวายน้อยควรเป็นสมณะที่ดีพระอุทายีจึงต้องกลับเด็กหญิงนั้นส่งทูตไปแจ้งข่าวเช่นเดิมแกม่มารดาอีกเป็นครั้งที่สามขอให้นาตัวกลับมารดาจึงไปหาพระอุทายี พระอุทายีก็บอกว่าไปแล้วและถูกลุกรานไม่ยอมไปอีกมารดาของเด็กหญิงนั้นและหญิงอื่นๆที่ไม่พอใจแม่ผัวพ่อผัวหรือสามีก็พากันติเตียนสาปแช่งพระอุทายีส่วนหญิงที่พอใจแม่ผัวพ่อผัวหรือสามีก็สรรเสริญให้พรพระอุทายีความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงส่งเรียบประชุมสง ทรงไต่สวนได้ความเป็นสัตว์คือได้ความจริงจึงทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันทรงปรับอาบัติสังฆาทิเศษแก่ผู้ล่วงละเมิดต่อมาพระอุทายก่อเรื่องขึ้นอีกโดยพวกนักเลงขอร้องให้ไปตามหญิงแพทย์สยามมาเพื่อสำเร็จความใคร่มีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติสิกขาเพิ่มเติมว่าการชักสื่อเช่นนั้นแม้โดยที่สุดเพื่อสำเร็จความประสงค์ชั่วขณะหนึ่งก็ต้องอาบัตสังคาทิเศษต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและแสดงลักษณะการไม่ต้องอาบัตว่า 1. ไปด้วยกิจของสงฆ์ของเจดีหรือของภิกษุไข่ 2. ภิกษุเป็นบา 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติไม่ต้องอาบัตแล้วได้แสดงตัวอย่างที่เกิดเรื่องขึ้นเจเรื่องเกี่ยวกับสิกขาบทนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวินิจฉัยชี้ขาด